สังคาที่เสร็จสิขาบทที่หว่าด้การรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนดเรื่องภิกษุณีสุนทรีนันธา699สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกัดเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุณีสุนทรีนันธามีรูปงามน่าดูน่าชมคนทั้งหลายเห็นเธอที่โรงฉัน ต่างข้อกำหนับจึงถวายอาหารที่ดีๆแกนางผู้กำหนัดภิกษุณีสุนทรีนันธาจึงได้ฉันตามความต้องการส่วนภิกษุณีอื่นๆไม่ได้ฉันตามที่คิดไว้บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนัยภิกษุณีสุนทรีนันทากำหนับจึงรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวฉันเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้